1 2ปัจจุบันหมายถึงตรงไหนประกอบไปด้วยอะไรธรรมะที่ชื่อว่าอัตตาและโลกนี้แหละที่มีอำนาจร้ายยิ่งหรืออำนาจดีวิเศษยิ่งในชีวิตของคนพระพุทธเจ้าทรงสอนอำนาจยิ่งใหญ่นี้โดยแบ่งไว้ชัดเจนมีสามอำนาจใหญ่ ที่มนุษย์รู้ยิ่งเห็นจริงแล้วจะจบทุกอย่างคือโลกาทิปไตยอัตตาทิปไตยธรรมมาทิปไตยผู้จบทุกอย่างสำหรับตนก็คืออรหรันผู้บรรลุนิพพานนั่นเองผู้จบแล้วนี้คือผู้รู้แจ้งโรครู้แจ้งอัตตา แล้วจะเป็นผู้ช่วยโลกบริสุทธิ์ใจที่สุดด้วยนั่นก็คือผู้รู้แจ้งธรรมะและธรรมะที่จะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงก็คืออัจตากับโลกนี่แหละซึ่งธรรมะในปรมาถธรรมขั้นที่มุ่งหมายให้บรรลุนิพพานนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพาน เป็นอื่นไปไม่ได้และต้องเป็นความจริงที่ชื่อว่าทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิด้วยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทิฏฐิ62พระตายปิโดกเล่ม9ข้อห0และข้อ87ซึ่งมีความซับซ้อนที่ลึกซึ้งอยู่หลายในยะสำหรับคำตรัสนี้ คือจะปฏิบัติได้นิพพานก็ต้องเป็นธรรมะในปัจจุบันเท่านั้นตามคําตรัสของพระพุทธเจ้าที่บาลีก็ยืนยันอยู่ชัดๆซ่งๆว่าทิฏฐธรรมนิพพานทิฐิีนั่นไงทิฏฐธรรมนั้นแปลว่าผู้มีธรรมะอันเห็นแล้วธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือปัจจุบันชาติ ซึ่งหมายถึงภาวะที่เกิดในขณะปัจจุบันแม้จะหมายเอาว่าในโลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าและไม่ใช่โลกอดีตก็ต้องเข้าใจว่าเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามกับภาวะที่เป็นสัมปรายิกาจึงไม่หมายถึงภาวะในอนาคตหรือในโอกาสภายหน้าแน่ นิพพานนั้นก็ต้องเป็นภาวะที่สัมผัสอยู่หลัดหลัดโทนโทในปัจจุบันนั้นนั้นทีเดียวนั่นเองนิพพานจึงมีในปัจจุบันเท่านั้นในที่อื่นที่ไหนก็ไม่มีทิฏฐการก็หมายถึงในเวลากาละที่เห็นอยู่โทนโทหลัดหลัดทิฏฐหมายถึงได้เห็น สุตะหมายถึงได้ยินมุตะหมายถึงได้รู้สึกด้วยกลิ่นรสรู้จริงได้ด้วยสัมผัสนิพพานจึงเกิดได้ในขณะมีสัมผัสหกเป็นปัจจัยให้รู้จักรู้จริงนิพพานจึงไม่ใช่ตักกะแต่เกิดขณะมีอายะนะหกครบพร้อม ในปัจจุบันนั้นทีเดียว